บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งปัญหาที่ปุณกะมนบกราบทูลถามพระพุทธเจ้านั้นเป็นการกราบทูลถามในสองระดับด้วยกันระดับแรกตามถึงการประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อถือที่มีอยู่ในสมัยนั้น ของพวกชาวบ้านและพวกนักบวชทั้งหลายดยการทำพิธีบูชายันเป็นต้นว่าการกระทาเช่นนั้นไปรับผลอย่างไรแล้วก็ทำไปเพราะปรารถนาอะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่บุคคลกระทาเช่นนั้นเพราะปรารถนาลาบยศทันเสริญและความสุขซึ่งเขาก็ได้รับผล คือราบยศสันสญได้ความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆแต่ยังเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องด้วยภพด้วยชาติแม้ภพชาติจะมีความประนิบขึ้นไปก็ยังเป็นภพเป็นชาติไม่สามารถจะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงต่นั้นในตอนต่อไปทันปุณกะจึงกราบทูลถามว่าก็ใครเล่าในโลกนี้ ที่เป็นผู้ไม่หวันไปหลุดพ้นจากชาติรามรณะไปได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุคคลผู้สูงสุดคือพระอาหารหันต์ว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้เห็นทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งโนและทุจริตซึ่งเป็นประดุจควัน ย่อมคำพ้ชาติสรามรณะไปได้เพราะเป็นผู้มีจิตใจที่สงบอย่างแท้จริงเนื่องจากผู้ถามต้องการผลสูงสุดพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงผลสูงสุดแต่คุณลักษณะของพระอาหารหันต์นั้นเป็นปริยายคือนัยะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนัยัตของพระอาหารหันต ทรงจะนกแสดงโดยอเนกประยายคณยะต่างๆเฉพาะในยนีทรงแสดงธรรมมันเป็นเหตุและเป็นผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากเหตุประการแรกคือรู้ฝั่งทั้งสองคำว่าฝั่งนั้นก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงอิเลส ท, ที่เรียกว่าเป็นโอคะคือเหมือนกับพว้วน้ำ บุคคลตามปกติก็ถูกพัดผ่านไปด้วยแรงของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆทําทำให้มีการพฤติกรําของบุคคลแตกต่างกันออกไปสัตว์โลกจริงดูกันคนเลาฟังบางครั้งก็เรียกอกฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือฝั่งที่ถูกพัดผ่านไปด้วยกระแสของกิเลสได้แก่กลุ่มของ โลเกียธรรมทั้งหลายด้ว่าจะมีความประนีตอย่างไรก็ตามถ้ายังมีการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็ถือว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของมรรคผลนิพพานซึ่งเริ่มต้นมาจากพระโสะดาบันบุคคลตอนั้นคำว่าพระโสะดาบันจึงแปลว่าพูดถึงกระแสหรือพูดถึงฝั่งคือ น, นิพพานเป็นคนละฝากคนละด้านกบฝั่งของโลก ดันั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้จึงทรงแสดงเมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็นสองฝ่ายคือโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนั้นจึงก็กล่าวโดยสรุปไปว่าเว้นจากธรแมดประกาศเกประกานคือมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่นอกจากนั้นชื่อว่า เนโลกียธรรมธรรมะในโลกจึงเป็นเรื่องของโลกียมากกว่าเป็นโลกุตระเพราะระดับของโลกียนั้นมีความหลากหลายมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปด้วยประการต่างๆแต่ไฟที่เป็นโลกุตรธรธรมนั้นเป็นธรรมะที่มั่นคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงจึงประกอบด้วยธรรมที่เป็นเนื้อหาจริงๆเกีย ง, ง9ประการเท่านั้นได้ แ, แก่ท่านผู้ มนุสโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกัดตคามีมักสกกดตคามีผลนาคามีมักนาคามีผ ล, าากกลอรหตมักอรหัตผลกับนิพพานเกี่ยวก่ความดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกนี้ได้ชื่อว่าเป็นโลกุตตรธรรมแต่ท่านที่เป็นพระอรหันต์นั้นท่านรู้ทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นโล ก, กิยธรรม แต่เป็นความรู้อย่างที่เรียกว่าสมปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความรู้แล้วก็ทายถอนผ่อนคลความยึดปั่นถือปั้นในโลกียธรรมทั้งหลายเราจะมีความสุขมีความประณีตมากไปด้วยลาบยศสรรเสริญสุขอย่างไรก็ตามแต่ท่านมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงศักว่าสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น เห่ว่ารูปก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารูปเสียงก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเสียงเป็นตนจิตใจของท่านจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพราะตัดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้และในส่วนของโลกุตระธรรมก็เกิดยานความรู้ขึ้นภายในจิตใจของท่านและความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นทาให้ท่านสามารถละกิเลส ที่เป็นเหตุยิดมั่นถือมั่นได้อย่างสิ้นเชิงตัวเหตุจริงๆจึงอยู่ตรงนี้ต่อจากนั้นก็สงแสดงผลที่เกิดขึ้นหลังจากบรรลุอรหรัตเป็นประหารแล้วว่าไม่ทำทุจริตซึ่งเป็นดุจควนันควันไฟที่มีลักษณะปิดบงังดวงตาคือปัญญาของบุคคลออกไป ทุจริตนั้นก็คงเป็นทุจริตในใจาถวาวรคือทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจประหัรทละลกิเลสที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นแล้วทุจริตภายในใจจึงไม่มีเมื่อไม่มีทุจริตภายในใจทุจริตทางกายทางวาจาก็ไม่มีก็อาการทางกายทางวาจานั้นเป็นการสะท้อนออกมาจากใจ เมื่อ ใ, ใจไม่มีปัญหาการกระทําคําพูดก็ไม่มีปัญหาตามไปด้วยแต่ข้อที่น่าสังเกตคือทรงอุปมาว่าทุจริตเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกับควันธรรมดาว่าควันทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะปิดบังความสว่างในสถานที่นั้นๆเอาไว้แต่เกิดมากขึ้นไปก็จนถึงกระเข้าตาทำให้าาบุคคลไม่สามารถที่จะหาทางออกไปจากกลุ่มควันเหล่านั้นได้ หรือื่อที่ออกไปได้ก็สะบักสะบอบมากเป็นการเชีย่ยวเห็นถึงกิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะที่เป็นมนุษย์ทุจริตเพราะเมื่อแกเกิดขึ้นมีกำลังมากเท่าไหร่ก็ตามจะมีลักษณะปิดบงังดวงตาคือปัญญาของบุคคลเอาไว้ทำให้ไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินปัญหาต่าง แปล ว, ว่าทุจริตส่วนใดคือสายของความโลภความโกรธหรือความหลง ก, ก็ตามบังเกิดขึ้นแล้วจะบิดบางดวงตาคือปัญญาของบุคคลเอาไว้ถ้าหากว่าความรู้สึกเหล่านั้นรุนแรงจิตใจก็จะถูกเผารนรุนแรงมากยิ่งขึ้นและแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็จะกลายเป็นความรุนแรงตามไปด้วยก็นี้ท่านยกตัวอย่างให้ดูที่ความโกรธ ซึ่งมีลักษณะแผด์เผาใจปริมาณของความโกรธถ้ามีการวิเคราะห์ดูจิตก็จะเป็นเช่นเดียวกับกิเลสเหล่าอื่นคือจะมีความแรงมากน้อยแตกต่างกันความโกรธบางอย่างบังเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจไม่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้นแต่บางระดับเกิดขึ้นจนถึงกับแสดงอาการหงุดหงิดออกมาภายในใจ บางระดับเกิดขึ้นแล้วอาการหงุดหงิดแถวนั้นออกมาทันกิริยาการบ้างว่าจะบ้างบางอย่างจนถึงก็อ้าปากจะพูดทุจริตแต่ก็ไม่พูดบางอย่างอ้าปากแล้วก็พูดทุจริตออกไปจะเป็นคำสองคาแล้วหยุดได้แต่บางอย่างก็ทุจริตออกไปโดยไม่มีการบรญยญัติบรรยงกันเดยและทานแรงมากกว่านั้นก็จะก้าวร้าวสูงยิ่งขึ้น ในด้านการความเคลื่อนไหวทางวายจันนั้นจะเห็นได้ว่าความโกรธบางอย่างบางระดับอาจจะถึงกับขยับเขยื้อนเอาไห ว, วะวั้จะประทุสร้ายแต่ไม่ถึงกับประทุสร้ายบางอย่างอาจจะถึงเงื้อ ง, งาแต่ก็ไม่ถึงกับลงมือบางอย่างอาจจะถึงลงมือแต่ก็ไม่แรงบางระดับลงมือลงไปเกิดบาดแผลขึ้นมาแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัส แล้วบางอย่างอาจจะถึงกระบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงตายบางอย่างอาจถึงตายแต่ไม่ใช่ลักษณะที่ทารุณโหดร้ายแต่ถ้าความโกรธมากบางครั้งจะพบว่ามีการแทงการข้ากันเป็นสิบสิบแปลแสดงถึงกระแสของความโกรธที่ไหลต่อเนื่องไม่ยอมจุดและแรงอยู่ตลอดแม้คนตายไปแล้วก็ยังทําโดยใช้วิธีรุนแรงวิธีโหดร้ายอย่างภาพ เการบุคคลปรากฏในสถานที่นั้นอนาราณเหล่านี้เมื่อมองย้อนไปที่จิตก็จะพบว่าเกิด ข, ขึ้นจากแรงของโทสะหรือความโกรธที่บังเกิดขึ้นว่าขึ้นมากหรือขึ้นน้อยถ้าแกเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วจะมีลักษณะล้างผลาญตอนนั้นจะไม่มองเห็นเหตุผลอะไรเลยเพราะอัญญาถูกปิดบังไว้ด้วยกระแสของกิเลส แม้ในกรณีอื่นก็พึงพที่จ ะ, ะเห็นโดยในอย่างเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าพระอรหันต์ไม่ทําทุจริตที่เป็นหลุดขวัญเมื่อเป็นชนนี้ท่านจึงเป็นผู้ส ง, งบเพราะการไม่ทําทุจริตก็ดีความเป็นผู้ส ง, งบก็ดีนั้นเป็นผลต่อนเนื่องจากความรู้ฝั่งทั้งสองของพระอรหันต์แบบนั้น ความสงบนั้นเป็นปัจประสมในการประพฤติปฏิบัติทุกระดับของพระพุทธศาสนาแต่ความสงบทั้นสูงสุดนั้นก็เป็นไปอย่างพระพุทธธรรมระทิสัตวว่านัตถิสนติประรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบในที่นี้จึงหมายถึงสงบเพลิงกิเลสได้และสงบเพลิงทุกได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความไม่สงบแต่จิตใจของท่านก็คงสงบไม่ถูก โยครอนวันไหวด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นที่รักหรือเป็นที่ช่งก็ตามจิตใจก็น่าจะไม่ฟูขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุฟูขึ้นนั้นไม่จะเป็นตันหามานะทิจิหรือกามก็ตามเป็นสิ่งที่ประหารถลายเหล่านั้นละได้แล้วการค้ำพ้นชาติรามรณะนั้นเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้น จากการสงบกินเร็ได้เกิดขึ้นมาจากความรู้เพราะว่าผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่พระอาหารหันตั้งหลายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพ ร, ระพุทธเจ้าหรือพระอรหันทรูปอื่นก็ตามคือไม่ได้ใช้ปัญญาปินิพิจารณาถึงขันห้าหรือนามรูปจะเน้นตามความเป็นจริงใจจะไม่เกี่ยวเกาะยึดติด ในานามารูปทั้งที่เป็นนดีิตานาคตและแม้แต่ปัจจุบันไม่ว่านามารูปนั้นจะหยาบละเอียดเลวประณีตอย่างไรก็ตามแต่ท่านจะมองเห็นศักด์แต่ว่าเป็นนามารูปท่านเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ที่จะถ่ายถอนความยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราในานามารูปลงไปได้เมื่อถ่ายถอนได้ จิตใจก็จะเริ่มผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะผ่อนคลายไปโดยลํำดับถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดยานความรู้ขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อเกิดยานมีความรู้ขึ้นแล้วก็รู้ด้วยจิตของท่านว่าเวลานี้ท่านหลุดพ้นแล้วจากอานาจของกิเลสที่เคยผูกพันพันฒนาการจิตใจของท่านมาในภพชาติต่างๆ และเกิดยานความรู้ขึ้นว่าชาติคือความเกิดในโอกาสต่อไปนั้นหมดสิ้นแล้วกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับการรักและการเป็นก็หมดแล้วกิเลสในลักษณะดเดียวกันก็จบดังนั้นพระอราหันต์จึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าผู้อยู่จบพรหมจรรย์คือไม่ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อลักกิเลสและเพื่อสร้างความดีอีกต่อไปเพราะกิเลสที่ควรละนั้นละหมดสิ้นแล้ว ความดีที่ควรกระทำนั้นได้กระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วนี่เป็นผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่เมื่อมองในแนวของการน้อมนำมาประปฏิบตัติก็จะพบ ว, ว่าผลเหล่านั้นเมื่อมีผลสูงสุดก็ต้องมีผลในลักษณะที่ลดหลั่นกันลงมาโดยลำดับพอถึงชั้นหนึ่งแม้สามัญชนทั่วไปก็สามารถสัมผัสได้ในระดับหนึ่ง โดยการพยายามใช้ความรู้ในสิ่งทั้งสองฝ่ายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาแห่งชีวิตมองสิ่งที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณมองสิ่งที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษจนเกิดความรู้เห็นประจักษ์แก่ใจแล้วก็จะผ่อนคลายความเกี่ยวข้องความปุกพันกับสิ่งที่เป็นโทษ พระสิญที่เป็นโทษตลอดนั้นก็ให้เกิดความถูกซ้ําซ้อนขึ้นในชีวิตของตนตลอดมาและในขณะเดียวกันก็จะเกิดความเพียรพยายามที่จะเพิ่มส่วนที่เป็นคุณความดีขึ้นมาเพราะส่วนที่เป็นคุณความดีนั้นเมื่อสัมผัสครั้งไรก็ตามความสุขความสงบความเยือกเจ็นจะเกิดขึ้นจากการสัมผัส ผ, ผลเหล่านั้น และมีความฉันทาอุตสาหะที่จะสัมผัสผลสงูงยิ่งขึ้นไปและตัวความรู้นั้นจะต้องมองเห็นทุจริตก็มีลักษณะเหมือนกับควันที่ปิดบังดวงตาเข้าไปในตาและก็แสบตาทุจริตมีลักษณะเช่นเดียวกันมีลักษณะเหมือนยาพิษมีลักษณะเหมือนไฟมีลักษณะเหมือนควันแม้จะเพียงเล็กน้อย ก็เป็นยาพิษเป็นไฟเป็นควันที่ก่อให้เกิดความไม่ปกติขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเพียงความคิดที่ประกอบด้วยทุจริตบังเกิดขึ้นภายในใจความรู้ก็จะเกิดขึ้นทันทีในอารมณ์นั้นมีการวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ได้ว่าความคิดเหล่านี้เป็นสายของความโลภความโกรธความหลง จึงเป็นอากุศลละมูลเป็นรากงาวของอากุศลทั้งปวงและเพียรพยายามบรรเทาเสียตั้งแต่ต้นโดยการไม่ตรึกนึกไปในลักษณะนั้นถ้าทำได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าหยุดตัวมูลเหตุแห่งทุกจยริตตรงไปได้แล้าหากหาอหยุดไม่ได้ในตอนนี้ก็พยายามควบคุมความรู้สึกเอาไว้ไม่ให้ปริมาณของ กิเลสเหล่านั้นมีมากเกินไปจนถึงแสดงความวิปริตออกมาทางใจมีความเร่าเรอนกระสับกระส่ายแ้าถ้างหากว่าคุมไม่ได้ในสุดนี้ก็คุมเอาไว้อ ย, ย่าถึงกับแสดงออกทางประจาอย่างที่พูดกันว่าน้ําขุนไว้ข้างในน้ําใสไว้ข้างนอกคือหมายความมาในขณะนั้นแท้ที่จริงจิตใจก็มีกิเลสอะไรอยู่มากเหมือนกัน พยายามกดกลั้นอดกลั้นเอาไว้พยายามข่มไว้พยายามบันเทาไว้ไม่ปรากฏมาทางสีหน้าทางวาจาทางอาการที่ปรากฏต่อสายตาของบุคคลอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติในลักษณะข่มใจหักข้างใจเพราะมองเห็นโทษภัยของทุจริตก็ตาก็ปล่อยให้ลูกลาบไปแล้วก็จะก่อให้เกิดผลเป็นความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในชั้นของอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งโลเยธรรมความของการเวียนวตายเกิดในทั้งสารวัตรนั่นเองเวลาแสดงโดยสรุปถึงผลคือความเดือดร้อนในปัจจุบันและในพบชาติต่อไปทรงชี้ไปที่ทุจริตทางกายทางวา จ, จาทางใจ ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลประสบความทุกข์ในนรกถูกแผดเผาให้เกิดความเร้าร้อนอยู่ในนรกซึ่งแท้จริงแล้วก็ถูกแผดเผาในปัจจุบันก่อนจากการถูกแผดเผาในปัจจุบันนั้นเป็นเหตุให้ต้องถูกแผดเผาอีกแม้ในอนาคตคล้ๆกับคนที่ทําความชั่วมีความเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันทั้งก่อนทําขณะทำและหลังจากทําไปแล้ว แต่เขาจะประสบความเดือดร้อนอีกแม้ในโอกาสต่อๆไปเพราะความชั่วนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยการมองเห็นโทษของทุจริตจนประดักแก่ใจดูประมาเหมือนควันก็ดีไฟก็ดีระยะพิษก็ดีนะบุคคนก็สามารถบรรเทาทุจริตเหล่านั้นลงไปได้เมื่อบรรเทาได้ความสงบก็จะบังเกิดขึ้นอย่างหยาบหยาบก็เป็นการสงบกายสงบประจา ไม่ถึงกระทาอะไรในลักษณะที่เป็นการผิดศีลเพราะการกระทาที่ผิดศีลนั้นจะส่งผลกระทบต่อตอนเองด้วยต่อคนอื่นด้วยและเมื่อพยายามมา ก, กขึ้นกกขึ้นมากขึ้นขึ้นความสงบภายในใจของบุคคลก็จะบังเกิดขึ้นไม่ใจสงบได้ก็ช่้ว่าเป็นความสงบที่ควรแก่การยินดี แต่เมื่อบุคคลได้สัมผัสความสงบซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆมองเชื่องโยงกลับไปได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบความเพียนพยายามที่จะเสริมสร้างเหตุให้เกิดความสงบก็จะติดตามมาบุคคลก็จะสัมผัสความสงบสูงยิ่งขึ้นโดยลําดับจนถึงการสงบด้วยการปฏิบัติสมถกรรมฐานและสงบด้วยการปฏิบัติในระดับของวิปัสสนากรรมฐาน เรื่องการข้ามพ้นชาติชรามรณะนั้นที่จริงพวกนี้เป็นผลทั้งหมดเพราะถ้าหากว่าบุคคลยุติที่กิเลสได้ทั้งกระบวนการไม่ว่าจะเรียกชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกโทมนัตเรียกให้มากกว่านั้นก็ได้นันจะล้มไปตั้งแต่ตัวแรกนะเพราะว่าการหมดกิเลสนั้นชือว่ายุติความเกิด ยุติความเกิดไปเป็นการยุติความแก่ยุติความเจ็บยุติความตายเป็นโดมิโ น, โนทางสังสารวัฏคือทล้มได้จากตัวหนึ่งตัวอื่นก็ล้มตามไปด้วยดันั้นปัญหาสําคัญในลักษณะทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในชีวิตปัจําวันก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงคุณลักษณะของพระอรหันต์ว่าได้แก็บความรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านนั้นเอง ทำหน้าที่ขจัด <c oughs> ความยึดติดในสังขารทั้งหลายลงไปได้จนกลายเป็นผู้สงบไม่มีความเร้าร้อนและลักษณะของความยึดติดหรือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยเกิดความยึดติดกันเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่ตัณหามานะทิฏฐิแลกลาบคือความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายคราว น, นี้บึงดูตัวอย่าง ความยึดติดตด้วยอำนาจของตัณหาตัณหานั้นจะก่อให้เกิดความยึดติดว่าเป็นของเราสิ่งอะไรก็ตามทัดใจไปกำหนดว่าน่าใคร่นะ่าปรานาน่าจินดีใจก็จะเริ่มเอื้อมเข้าไปผูกพันในสิ่งนั้นมีความขวงมีความสนีมีความอยากและลักษณะเปราะบางภายในจิตก็จะเกิดขึ้น ยื่นครมากระทบสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นโทสะเมื่อโทสะเกิดตันหาก็เกิดแรงขึ้นให้จะมีการต่อสู้มีการยื้อแจ้งมีการประหัตประหารกันตราบใดที่กระแสของตันหาไม่ยอมยุดยติพยายามใดที่ตันหากยุบพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านั้นจะหยุดหมดได้ดังนั้นปัญหาประการสำคัญการจะข้ามพ้นชาต จะาหรือมรณะไปได้ในชีวิตปัจจุบันก็คือการพยายามเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีความยึดถือว่าเป็นของเราเื่อเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ก็ตามแต่การที่บุคคลพยายามเข้าถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถสร้างความสุขความส ง, งบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้เป็นอย่างมาก ถ้ามองจากแนวนี้ก็จะมองเห็นภาพอีกประการหนึ่งในขณะนี้ปัจจุบันนี้ว่าความคิดในทางที่จะฝืนกติธรรมดาของบุคคลบางกลุ่มได้ลดลงเป็นอันมากเมื่อก่อนเคยย้อมผมปัจจุบันก็เลิกย้อมซึ่งแสดงว่าพร้อมที่จะไปเชิญหน้ากับความจริงแน่ความแก่ปรากฏก็คือความแก่ที่ปรากฏ แล้วก็ใช้ความแก่เหล่านั้นที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการยุติความเกิดของอารมณ์ความเกิดของตัณหาความเกิดของมานะความเกิดของทิตจิหรือความเกิดของกามะความใครในอารมณ์ทั้งหลายตาบุคคลใช้ปัญญาคือใช้ปัญญาคือความรู้พินิพิจานาลักษณะของอารมณ์ก็จะยุติความเกิดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ทําให้เกิดในสังสารวัตต่อไปข้อนี้จะพบว่าในแง่ของธรรมอาทิฐานแล้วคือยกธรรมะเป็นหลักเป็นประธานแล้วท่านยังแสดงสภาพปิตที่เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวชันเป็นมนุษย์เป็นพรมเป็นเทวดาเป็นพระอริยะเอาไว้เป็นการเกิดขึ้นโดยขณะของจิตยามใดที่จิต เกิดความกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายมีความหิวโหยต้องการปรารถนาอยู่ร่าไปแสดงว่าจิตเราจิตขณะนั้นตกอยู่ในภูมิของเปรตมีความหิวโหยไม่มีที่สิ้นสุดหรือพยายามใดที่จิตตกอยู่ในสภาพไม่มีเหตุผลขาดปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจที่จะตัดสินปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์ด้วยความโกรธที่บางเกิดขึ้นแสดงว่าจิตตกอยู่ในภูมิของดรชา จิตมีความเล่าร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทจิตก็ตกอยู่ในภูมิของนรกจึงถูกแผดเผามาตั้งแต่ต้นนับางครั้งบางคราวจิตมุ่งที่จะหลอกลวงใช้วิธีโกนโกงด้วยประการต่างๆก็จิตตกอยู่ในภูมิของอสุรกายแต่ยามใดที่จิตสูงขึ้นใช้เหตุผลในการดารงชีวิตได้มากยิ่งขึ้นจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของมนุษย์แต่ยามใดจิตที่ เข้าถึงธรรมะมีฮิริโอตปะเป็นเกราะคุ้มครองใจตัสินอารมณ์ได้สกัดกั้นกระแสของอารมณ์ที่เป็นข้าศึกออกไปได้รักษาความดีภายในจิตของตนไว้ได้จิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของเทวดาพยายามใดที่จิตอยู่ด้วยหลักของเมตตากรุณามมติตาอุเบกขา ไม่หักเหออกไปสู่ก ร, รมมารคะไม่หักเหออกไปสู่อกติไม่หักเหออกไปสู่ความเบียดเบียนความริสยาในยามนั้นขณะนั้นจิตก็เข้าสู่ภูมิของพรุนโดยก็หมายความว่าด้วยความรู้ขณะจิตที่มันเกิดขึ้นนั่นเองบุคคลจะเลือกเฟ้นอารมณ์ตัดสินอารมณ์แล้วประคองอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาไว้เปิดคุ้มครองจิตรักษาจิตตนไม่ให้ กิเลสซึ่งเป็นเหตุส่งตนไปสู่ภูมิชั้นต่ำบางเกิดขึ้นครอบกำจและยกระดับจิตพัฒนาจิตอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นบุคคลก็จะได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในขณะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงดสืบต่อไป